คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่6ถามขอบนหน่อยคือเป็นคนเข้าวัดช้าหรือเริ่มปฏิบัติช้าไม่ทันได้ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ดีนับว่าเป็นผู้อภพอับวาสนาซิละเกินน่าอิจฉาคุณสันตินันที่มีโอกาสพบปะและใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์จำนวนมหาศาลตอบความจริงคนเราย่อมได้สิ่งที่สมควรกับตนเองเสมอหากเป็นเวลาก่อนหนเนี้ย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 ด้วยระดับความสามารถของหลวงปู่นั้นทาไมจะไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนบัตรสนเทศแต่ด้วยน้ำใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเมื่อทราบว่าเนรทำผิดเช่นนั้นท่านก็คิดอุบายผ่อนโทษให้เนรโดยเรียกเนรทั้งหมดมาประชุมกันและประกาศว่าในวงเล็บสังเกตไหมครับว่าท่านไม่เรียกพระมาเลยวงเล็บปิดใครทบาบัตรสนเทศเนี่ยเป็นบาปกรรมต่อตัวเองอย่างมาก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 สันตินันหรือพระปราโมทปาโมโชในปัจจุบันบทความจากธรรมะใกล้ตัวอ่านโดยอนุสอนตรีโสภา27มิถุนายนพุทธศักราช2542บงแ้้่น่นนใใจออัรดวยไฟหญ เชื่อไฟใหสิ้นจุดลงชิ้นทางต่อ